วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสอง3ห้าสาเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องจากมีวันหยุดวันอังคารเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันจันทร์เป็นวันขั้นกลางก็เลยมีการให้หยุด เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องจากในช่วงวันสงการไม่ได้หยุดกันเลยให้มาหยุดชดเชยในวันจันนี้ญาติ ย, ยงผู้มีจิตศรัทธาจึงมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานกันมีเวลาที่จะได้เข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสั่งคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือกว่าคำสั่งคำสอนทั้งปวงเพราะเป็นคำสั่งคำสอนที่จะพาให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มีคำสั่งคำสอนของผู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่ศึกษาแนละปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพที่สัตว์โลกทั้งหลาย ต้องติดอยู่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบ<ม>ในกามพบในรูปพบและในอรูปพบ<ม>นี่คือพบต่างๆที่พวกเราไปเวียนว่ายตายเกิดกันตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน<ม>ไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะต้องไปเกิดในภพต่อไปนะซึ่งอาจจะเป็นภพที่ดีก็ได้หรือภพที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราได้ทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตเป็นนสูรกายหรือไปตกนรก นี่คือพบชาติต่างๆที่พวกเราจะต้องไปกันขณะที่เรามาอยู่บนโลกนี้ก็เหมือนกับเราอยู่ที่สถานีหัวลำโพงหรืออยู่ที่สนามบินอดอนเมืองหรือสนามบินสวรรณภูมิเราไปรอขึ้นเครื่องกันขึ้นรถไฟกัน ก่อนจะขึ้นเครื่องหรือขึ้นรถไฟเราก็ต้องตีตั๋วกันไว้ก่อนตีตั๋วว่าเราจะไปที่ไหนกันจะไปประเทศนั้นประเทศนี้ถ้าจะไปต่างประเทศ<ม>หรือถ้าอยู่ในประเทศก็จะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้<ม>ทุกคนก่อนจะขึ้นเครื่องได้ต้องมีตั๋วก่อนต้องตีตั๋วก่อน การตีตัวของพวกเราเพื่อไปสู่พบชาติต่างๆนั้นก็คือการกระทาต่างๆของเรานี่เอง mm hmm. การทำบุญทาทาน mm hmm. การรักษาศีล mm hmm. การภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นวิธีตีตัว ของพวกเราสำหรับพบต่อไปที่จะตามมาถ้าเราได้มาเกิดในยุคของพระพุทธศาสนาเราก็จะมีโอกาสซื้อตั๋วพิเศษที่ไม่มีขายในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาตั๋วพิเศษก็คือตั๋วที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานนั่นเอง จะมีตั๋วพิเศษนี้เฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ขายตั๋วนี้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีตั๋วนี้ให้เราซื้อกันเราก็จะไปในภพต่างๆในสังสารวัฏเราจะไม่สามารถไป ออกไปนอกภพของสังสารวัฏได้คือพระนิพพานจะไปพระนิพพานได้นี้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มาขายตัว๋วคือมาให้ความรู้แก่พวกเราว่าวิธีที่พวกเราจะไปออกจากสังสารวัฏไปไปแบบไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้พวกเราอาจจะไม่รู้เสียได้ซ้ำไปว่าพวกเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันกำลังกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่หลายหลายรอบด้วยกันเหมือนแผ่นเสียงตกตกล่องยุคนี้คนอาจจะไม่รู้จักแผ่นเสียง สมัยก่อนนี้ไม่มีแผ่นซีดีไม่มีมือถือให้เราฟังเพลงเวลาจะฟังเพลงก็มีแผ่นเสียงแล้วก็บางทีแผ่นเสียงนี้มันตกร่องมันติดอยู่ในร่องเดิมมันก็จะฟังแต่เสียงเดิมอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราเหมือนกับพวกแผ่นเสียงตกร่องตกร่องของการเกิดแก่เจ็บตาย ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเดี๋ยวก็ตายใหม่ตายจากภพนี้แล้วก็ไปเกิดในภพนั้นเป็นตายจากภพมนุษย์ถ้าเป็นบาปพาไปก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็ต้องแก่เจ็บตาย หลังจากแก่เจ็บตายแล้วถ้าบาปยังไม่หมดก็กลับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่เราทำไว้มันหมดกำลังเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอีกรอบนงกลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกรอบนึงเหมือนกันหรือถ้าเราได้ทาบุญไว้มากกว่าดําบาป เวลาตายไปเราก็ไปเกิดเป็นเทวดากัน mm hmm. เทวดาก็มีอยู่หกชั้นด้วยกัน mm hmm. มีชั้นจาตุม mm hmm. ชั้นดุสิตชั้นอะไรต่างๆ mm hmm. มีอยู่หกชั้นขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำมากน้อย mm hmm. ทำบุญมากก็ได้ไปเกิดบนชั้นที่สูงทำบุญน้อยก็เกิดชั้นที่ต่ำ ชั้นต่ำก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นที่สูงอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำทานจากการไม่ทำบาปแล้วถ้าเราได้ไปฝึกสมาธิไปเข้าฌานได้เข้ารูปฌานเข้าอารูปฌานได้เราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพที่มีความสุขมากกว่า สวรรค์ชั้นเทพชั้นรูปประพรมก็มีความสุขมากกว่าชั้นเทพชั้นอรูปประพมก็มีความสุขมากกว่าชั้นรูปประพรมแต่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ชั้นไหนเดี๋ยวบุญที่ส่งไปหมดกําลังก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่มนุษย์เราจึงเป็นเหมือนสนามบินนี่เอง เครื่องบินไม่ว่าจะบินไปใกล้ไกลที่ไหนท่าไหรสูงเท่าไหรต่ำท่าไหรเดี๋ยวพอน้ำมันหมดก็ต้องมาลงที่สนามบินกันมาตามมาเติมน้ำมันใหม่พวกเราที่ทําบุญกันรักษาศีลกันนั่งสมาธิกันตายไปเราก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมกัน แต่พอบุญที่ส่งเราไปหมดหมดกาลังเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องกลับมาเดิมน้ำมันกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราจะได้พบกับตั๋วพิเศษตั๋วที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเอามาขายพวกเรา คือมาสอนพวกเราว่าถ้าพวกเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็ให้ทำตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนพวกเรากันสอนให้พวกเราปฏิบัติเพิ่มอีกขั้นหนึ่งขั้นที่เราปฏิบัตินี้ก็เราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเช่นขั้นรักษาศีลศีลห้าศีลแป ศีล10ศีล227รย22รักษาศีลระดับไหนได้ก็รักษากไปทําบุญทำทานในระดับไหนก็ทําไปนั่งสมาธิได้ในระดับไหนก็นั่งไปแล้วก็เพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่งสมาธิให้มันเข้าสู่รูปฌาน ให้เข้าสู่ฌานสี่ขั้นอุเบกขาพอได้ขั้นสมาธิแล้วทีนี้ก็จะต้องไปขั้นปัญญาที่ไม่มีใครรู้ใครสอนได้นอกจากพระพุทธาธรรมพระสงฆ์ขั้นปัญญาจะสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์กันเห็นอริยสัจสี่กันเห็นว่า โลกที่เราอยู่กันนี้ความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทางนั้นคือเป็นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปในที่สุดเวลาความสุขที่ได้ดับไป ความทุกข์ก็เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีได้ก็ต้องมีเสีย mm hmm. เวลาดับหรือเวลาสูญเสีย mm hmm. ก็เป็นเวลาที่จะต้องเจอกับความทุกข์นั mm ่นเองนี่คือ mm hmm. สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา mm hmm. คือรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไตรลักษ เป็นนันที่จังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องทําให้เราทุกข์ที่มันไม่เที่ยงที่มันทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติคือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ แล้วเราก็ต้องคืนธรรมชาติไปร่างกายของพวกเราก็ทามาจากธรรมชาติทามาจากดินน้ำลมไฟไม่เทีย่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นไปตามโอวาระของมันเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ตายไปพอตายธาตุที่มารวมในร่างกายก็จะแยกออกจากกันธาตุลมไปก่อนไม่หายใจตามด้วยธาตุไฟร่างกายเย็นเฉียบร่างกายของคนตายนี่เย็นไม่เหมือนร่างกายของคนเป็นร่างกายของคนเป็นนี่มีความร้อนมีธาตุไฟอยู่ แล้วพอธาตุลงไปธาตุไฟไปธาตุน้ำก็ตามออกไปในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินกลายเป็นร่างกายที่แห้งกรอบแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินต่อไปนี่คือวิปัสสนาหรือปัญญาของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราต้องศึกษาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ไม่ยินดีเพื่อที่จะได้ปล่อยวางเพราะถ้าปล่อยวางได้ไม่ยินดีเราก็จะได้ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอีกไม่ต้องมามีร่างกายกันอีกเมื่อไม่มีร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเราทุกคนทุกข์ด้วยกันทุกข์กับความแก่ ไม่มีใครอยากจะเจอความแก่แต่ก็หนีไม่พ้นความแก่ไม่มีใครอยากจะเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้หนีความตายไปไม่ได้เพราะนี่ <c ười> มันเป็นธรรมชาติร่างกายมันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติธรรมชาติสร้างร่างกายให้มาเป็นอย่างนี้สร้างให้มาเกิดทาแล้วก็สร้างให้มาเจริญเติบโต แล้วก็สร้างให้มาแก่สร้างให้มาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็สร้างให้มาตายกันอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของธรรมชาติทั้งนั้นถึงแม้ว่ามนุษย์เราเป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาเราก็เอามาจากธรรมชาติ สิ่งของต่างๆนี้เราก็ผลิตมาจากธรรมชาติผลิตมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนี่นี่คือความหมายของคำ ว, ว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ ก็เป็นเจ้าของได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ร่างกายยังไม่ตายแต่พอร่างกายตายไปแล้วใจก็ไม่สามารถที่จะยึดครองได้ต่อไปถึงเวลานั้นใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้าใจยังไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนายังไม่เห็นว่าการมีร่างกายเป็นทุกข์ ยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเองใจต้องการความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จำเป็นที่จะต้องมีตามีหู มีจมูกมีลิ้นมีกาย<ม>ก็จาเป็นที่จะต้องมีร่างกายกัน<ม>พอมีร่างกายแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาต<ม>ราบใดที่ใจยังปรารถนาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะพระชนิดต่างๆอยู่ใจก็ยังจะต้องกลับมาหาตาหูจมูกลิ้นกาย อยู่เรื่อยๆเมื่อม า, มาหาตาจมูกลิ้วกายได้ร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้วกายก็ <c oughs> ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายทุกขังไป <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาของพวกเราที่เหมือนเป็นเหมือนแผ่นเสียงตกร่องที่ตกร่องของความเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการสอนให้เราเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเทียมเป็นความสุขชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันเสื่อมหรือว่ามันหมดไปมันสิ้นสุดลงให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน อย่ามาเพ่งร่างกายให้มาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบกันทำใจให้เป็นสมาธิให้เป็นรูปประชานให้เป็นอรูปประชานถ้าเราฝึกสมาธิจนทำใจของเราให้สงบได้เราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการ ใช้ร่างกายพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆให้เรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากรูปประชานจากอารูปประชาน<ม>พอเราสามารถหาความสุขจากรูปประชานอารูปประชานได้<ม>เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ถ้าร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหนแล้วร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน mm hmm. เพราะการเข้าสมาธิ mm hmm. เข้าฌานนี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย mm hmm. ใช้สติ mm hmm. ถ้ามีสติ mm hmm. ก็คุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งได้ mm hmm. ใจก็เข้าสู่ความสงบ mm hmm. เข้าสู่ความสุข mm hmm. ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัติสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขความสุขที่สูงสุดที่พวกเราจะหากันได้คือความสุขจากความสงบซึ่งความสุขจากความสงบนี้ก็มีสองระดับด้วยกันความสุขที่เกิดจากความสงบแบบชั่วคราว และความสุขที่เกิดจากความสงบแบบถาว<ม>เรเบื้องต้นเราจะเข้าหาเราจะได้ความสุขแบบชั่วคราวก่อน <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะเข้าไปหาความสุขแบบถาวรได้เราต้องอาศัยความสุขแบบชั่วคราวเป็นขั้นบันไดาพาเราขึ้นไป yeah. Yeah. เบื้องต้นเราต้องมาหาความสุขจากสมาธิ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอเราเลิกหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์และเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานอิก ต, ต่อไปแต่เรายังจะไปติดอยู่ในาอารูปภพกับอารูปภพ ถ้าเราหาความสุขจากรูปประฌานเราก็ยังจะติดอยู่กับการไปเกิดในรูปภพยังต้องไปเกิดเป็นรูปปฐพมอยูถ้าเราติดในอรูปประฌานเราสามารถเข้ารูปอรูปประฌานได้ถ้าเราอาศัยอรูปประฌานให้ความสุขกับเราเราก็ต้องเข้าหาอารูปประฌานอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับติดอรูปประฌาน ถ้ายังติดอรูปปชาญอยู่ก็ยังต้องติดอยู่ในอรูปภพต่อไปตายไปก็จะไปเกิดในรูปภพ บ, บ้างหรืออรูปภพ บ, บ้างแต่จะไม่มาเกิดในกามภพถ้าเราเลิกหาความสุขทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเอง ความสุขจากกามรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเช่น <Yeah. S 1> เราไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปกินไปดื่มกัน <Yeah. S 1> เราก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มแต่พอเรากลับมาบ้าน ความสุขนั้นก็จางหายไปก็จะทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกหิวกับรูปเสียงกลิ่นเราเองหิวกับการไปเที่ยวองหิวกับการไปกินไปดื่กันเอกเวลาถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่ก็จะรู้สึกอึดอัดอออออช่วงที่เราต้องถูกอยู่บ้านในช่วงที่เขาบังคับไม่ให้ออกนอกบ้าน ช่วงนั้นเราจะเห็นชัดเลยว่าจิตใจของเราไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะเราไม่สามารถไปเสพกลามได้ไม่สามารถไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ ภ, ภายนอกบ้านได้นี่คือความทุกข์จากการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ พ, พอเราปฏิบัติถึงขั้นสมาธิแล้วก็เห็ น, นด้วยปัญญาว่า ความสุขทางกรรมมรคุณห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เลิกเสพมันเท่านั้นเองพอเราเลิกเสพมันเราก็จะไม่ทุกข์อยู่บ้านก็จะไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถภะนอกบ้านอยู่บ้านเราก็สามารถหาความสุขจากการเข้าไปในสมาธิแทนได้ เป็นความสุขที่ดีกว่าด้วยถ้าใครได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิแล้วนี้จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้กายเหมือนกับคนที่ได้รถเก๋งที่มีราคาดีกว่ารถเก่าถ้าขับรถปิกอัพยอยู่แล้วได้รถเบนซ์มานี่รับประกันได้ว่ารถปิกอัพที่เคยขับอยู่นี้จะยกให้คนอื่นไปเลยสู้ขับรถเบนซ์ดีกว่าสบายกว่า มีความสุขกว่าการขับรถกรบบะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้เข้าสู่ความสุขของสมาธิแล้วเราก็จะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถพภาโดยเฉพาะถ้าเราเห็นว่าเห็นมันว่ามันเป็นตายลักถ้ายังไม่เห็นเป็นตายลักเราก็อาจจะเป็นแบบลักที่เสียดายเนาะสมาธิก็อยากจะเข้า ออกจากสมาธิก็อยากจะกินขนมอยากจะดื่มกาแฟาอยากจะดูหนังฟังเพลงยังอยากจะทําทั้งสองสิ่งอยู่มันก็จะทําให้เราสลับไปสลับมาบางทีก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสบางทีก็หาความสุขจากสมาธิเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็จะเกิดความทุกข์ พอเกิดความทุกข์ก็จะกลับมาหาความสุขจากสมาธิบางทีมันก็กลับไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าถ้าไม่ถ้าออกมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลับเข้าไปหาความสุขจากสมาธิไม่ได้หาได้ยากกว่าจะขับเข้าไปได้ก็เหย่ขึ้นคออย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเวลาจิตท่านเสื่อมสมาธิเสื่อมนี้ ท่าว่ากว่าจะกลับเข้าไปได้นี่มันท่าเป็นทบตายแล้วช่วงนั้นรู้สึกทุกข์ทรมานใจมากเหมือนคนที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ท่านว่ามันยังไม่รุนแรงเท่ากับเวลาที่เสียสมาธิไปไม่สามารถกลับเข้าไปหาสมาธิได้ดังนั้นถ้าใครได้สมาธิแล้วมั่จะไม่ไม่ประมาทกัน จะพยายามเข้าหาสมาธิอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเวลาออกจากสมาธิมายังมีความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ก็จะพยายามใช้ใจลักเตือนใจสอนใจถ้าไม่มีใจลักนี่ก็อาจจะหลงกลับไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ถ้ามีใจลักคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่า ถ้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นร้อนแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็จะต้องร้องโหยงร้องให้พอไปมีแฟนพวกที่ไปบวชนั่งสมาธิได้พอศึกกลับบ้านไปเจอแฟนเข้าเดี๋ยวลืมสมาธิไปหาแฟนไปอยู่กับแฟนไม่นานเดี๋ยวแฟนทิ้งมิทะเลาะกันก็เสียอกเสียใจนี้จะกลับไปหาสมาธิก็ หาทางไม่ถูกหาทางเข้าไม่ถูกถ้าไม่กลับไปบ่อยๆกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆสมาธินี่จะหลงทางได้จะหาทางเข้าไม่ได้กว่าจะหาได้ก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรดังนั้นสําหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ประมาท น, นใจถ้าได้ ความสุขจากสมาธิแล้วนี้จะพยายามรักษาไว้จะพยายามฝืนความอยากที่จะมาหลอกมาดึงให้ชวนไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปัตตพะด้วยการพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็สนุกสนานเฮฮาเพราะช่วงที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิมันอาจจะเกิดความรู้สึกเหงาวรู้สึกว่าเวขึ้นมาได้ ถ้าไม่กลับเข้าไปในสมาธิเดี๋ยวก็อาจจะถูกความหลงความอยากหลอกให้ไปเที่ยวได้หลอกให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโนได้เวลาไปก็รู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขความเหงาความาว้าวเลยก็หายไปชั่วคราวแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับบ้านกันไม่มีใครเที่ยวได้ทั้งคืนทุกทั้งคืนทั้งวันเดี๋ยวเหนื่อยก็ต้องกลับบ้านกัน กลับบ้านพักผ่อนหลับนอนกันพอกลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนไปเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปอีกแล้วแล้วพอเกิดมีความอยากจะกลับไปเที่ยวใหม่ความรู้สึกเหงาความรู้สึกว้าเวก็เกิดขึ้นมาอีกทีนี้ก็ต้องไปเที่ยวอีกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไปมันก็ยิ่งเหงายิ่งว้าเวใหญ่ ถ้าเป็นคนฉลานก็ต้องพยายามสู้กับความเหงาสู้กับความว้าเหวด้วยการบังคับให้มันกลับเข้าไปในสมาธิให้ได้อยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปหาเพื่อนไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็เปลี่ยนใจไม่เอาวนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปดีกว่าตอนที่นั่งใหม่ๆมันก็อาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สุขไม่สบายใจใแต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายาม พยายามใช้สติพุทโธพุทโธพุทโธเดินจงกรมนั่งสมาธิไปอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเอาจิตเข้าสู่ความสงบได้แต่พอเข้าได้แล้วมันคุ้มเหนื่อยความเหนื่อยต่างๆนี้หายไปหมดความเหงาความว้าเหวความทุกข์ทรมานใจความญหงุดหงิดใจนี้จะหายไปหมดแล้วทีนี้จะเห็นโทษ ของการเผลอสติของการไม่คอยรักษาใจไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาต่อไปจะพอออกจากสมาธิมานี้จะรักษาใจด้วยสติแลวจะสอนใจให้พิจารณาไตรับอยู่เรื่อยๆให้พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่เป็นนิจยังสุขขังหนักตาถ้ามันคอยพิจารณาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆ<ม>เวลาจะเกิดความอยากขึ้นมาก็จะระ ง, งับมันได้ทันทีถ้ามันดื้อก็บังคับให้มันเข้าสมาธิไปถา้าระงับความอยากไม่ได้ด้วยปัญญาก็ดึงจิตให้เข้าสมาธิไปให้พุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไป เดี๋ยวไม่นานความสงบก็กลับคืนมาใหม่ความอย่างนี้ไปหลายหลายรอบต่อไปความอยากมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปทาพะก็จะหมดไปก็จะหาความสุขจากการเข้าสมาธิก็จะไปติดสมาธิจะติดกับสมาธิระดับรูปปัจานหรืออารูปปัจาน ขึ้นอยู่กับความสามารถว่าเราจะเข้าสมาธิในระดับไหนได้ตอนนั้นเราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารารูปประชานกับอรูปประชานเหมือนกับเราพิจารารูปเสียงกลิ่นรสผุดภพว่ามันก็ยังเป็นตายรักอยู่เหมือนกันรูปประชานก็เป็นตายรักอรูปประชานก็เป็นตายักคือไม่เที่ยมเข้าเข้าได้ก็ออกได้ มีรูปประชานได้เดี๋ยวก็เสื่อมได้ mm. เพราะเราจะไม่สามารถอยู่ใน mm. ในสมาธิได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง mm. เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องถอนออกจากสมาธิออกจากรูปประชานออกจากอรูปประชานมา mm. ถ้าเราจะกลับเข้าไปหารูปประชานอรูปประชานใหม่ mm. ก็ได้แต่เราก็ยังจะต้องติดจะต้องกลับไปหามันอยู่เรื่อย เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ที่เราต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรายังติดมันอยู่นั่นเองเพราะเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็ต้องพิจารณารูปประชานกับอารูปประชา น, นี้เหมือนกับที่เราพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะพิจารณาว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นของเป็นธรรมชาติของมันที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเราต้องการที่จะเลิกไม่ให้ติดกับรูปประชานกับรูปประชาน<ม>พอช่วงไหนที่เราอยากจะกลับเข้าไปในรูปประชานหนือรูปประชาน เราก็ต้องพิจณ า, าด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สำหรับผู้ที่ได้ปล่อยวางกามะการปัญหาแล้วคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่มีแล้วผู้นั้นก็คือพระอนาคามีต้องเป็นพระอนาคามีเป็นผู้ที่ตัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสในทุกรูปแบบได้ ไม่ว่าจะไปดูหนังฟังเพลงไม่ว่าจะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มหรือไปร่วมหลับนอนกับใครก็ตามพระนากามีนี้ไม่สนแล้วเนื่องของการมมาคุณทั้งห้าเพราะท่านมีของดีกว่าท่านมีรูปประชานกับรูปปัจานให้ท่านเสษแต่ท่านไม่รู้ว่าถ้าท่านยังติดอยู่กับรูปประชานหรือรูปประชานท่านก็ยังจะต้องติดอยู่ในไตรภพต่อไป จะต้องไปเกิดในรูประพบหรืออรูประพบถ้าท่านไม่ต้องการที่จะไปติดในรูประพบหรืออรูประพบท่านก็ต้องเลิกติดรูปปาัานอรูปปัจานแล้วก็ไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเลิกรูปประชานได้เลิกการรูปปานได้จะมีของดีกว่ารอเราอยู่ mm hmm. เหมือนตอนที่เราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ Um, เราได้ของดีกว่ามาทดแทนเราได้สมาธิเราได้รูปประชานอรูปประชานมาทดแทนถ้าเราเลิกเสพรูปประชานอรูปประชานได้เราจะได้ของดีกว่าเราจะได้นิพพานมาเป็นเป็นตัวแทให้ความสุขกับเราแทนรูปประชานอรูปประจานแล้วเราจะได้ความสุขแบบถาวรนิพพานนี่แหละคือความสุขที่ถาวรความสงบที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่เกิดไม่ดับเป็นความสุขที่เ ส, สถียรเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันตลอด365วันตลอตลอดกับตลอดกันนิพพานนี้จะเป็นความสุขแบบอะกาลิโกไม่มีการเสื่อมไปกับการการเวลา แต่จะเข้าถึงความสุขนี้ได้ต้องเลิกเสพรูปประชานกับอรูปประชานเลิกหาความสุขจากรูปประชานกับอรูปประชานนี่คืองานของพระอนาคามีพอท่านเลิกเสพกามได้ท่านก็จะมาติดกับการเสพรูปประชานกับอรูปประชานและท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิพพานก็ได้ผู้ที่เลิกเสพกามได้แล้วมาเจอ ความสุขของความสงบก็อาจจะหลงคิดว่าเป็นนิพพานที่ท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนูสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่สุดเท่าที่เคยพบมาก่อนหน้านั้นความสุขที่พบมาคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเวลาไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเราก็รู้สึกมหัศจรรย์ใจกันการกั้งเราตั้งชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเช่<ม>นกำแพงเมืองจีนปีรามิดหอไอเฟลอะไรต่างๆอันนี้เพราะเป็นของที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เห็นแล้วก็อดที่จะมหัศจรรย์ใจไม่ได้แต่พอมาพบกับความสุขของสมาธิของความสงบเนมันมหัศจรรย์ใจยิ่งกว่าความมหัศจรรย์ใจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆ มันก็เลยทําให้เปลี่ยนการหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปจากการมาคุณห้าจากรูปเสียงกลภภิ่นรสผลทพะก็มาหาความสุขจากความสงบดีกว่ามาหาความสุขจากรูปประชานและอรูปหรืออารูปประชานแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความเป็นยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เวลาที่มันเสื่อมมันก็จะรู้สึก ขาดขาดอะไรไปเหมือนขาดลมหายใจเพราะรูปประจานกับรูปประจานมันก็ยังเป็นอนิจจังอยู่เ mm hmm. พราะเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในรูปประจานได้ตลอดยีบสี่ชั่วโมง mm hmm. เรายังต้องออกมาจากสมาธิเพราะเรายังต้องมีภารกิจที่จะต้องดูแลร่างกายของเราอยู่ mm hmm. เรายังต้องมาพาร่างกายไปขับถ่าย mm hmm. พาร่างกายไปอาบน้ําอาบท่า พาร่างกายไปพักผ่อนหลับนอนอพาร่างกายไปรับประทานอาหารหพาร่างกายไปทาความสะอาดสถานที่ที่เราอยู่อาศัยเป็นต้นอพอออกมาฌานมันก็จะจางหายไปความสุขที่ได้จากฌานก็จะหายไปมันก็จะเกิดความอยากได้ความสุขแบบนั้นอีกอมันก็ต้องกลับเข้าไปในฌานใหม่ห ถ้าช่วงไหนกลับเข้าไปไม่ได้หรือไม่สามารถทำให้มันสงบได้ไม่มีเวลาว่างที่จะทำให้มันสงบได้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเท่าไหร่นี่คือความสุขของรูปฌปานกับรูปฌานยังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่ตลอดเวลาไม่ต่อเนื่องตลอดเวลามีมมีเกิดเกิดดับๆับ เหมือนแสงหงเหงห้อยมีเกิดแล้วก็มีดับไม่เหมือนกับแสงไฟฟ้าที่เราเปิดในตอนกลางคืนเปิดแล้วมันก็เปิดยาวไปเลยแสงความสุขแบบที่มันต่อเนื่องแบบยาวไปเลยคือพระนิพพานนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเลิกใช้รูปประชานกับอารูปประชานเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา ทุกครั้งที่เราอยากจะเข้าไปหาความสุขจากอารมูปฌานอรูปฌานเราก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไตล่ล mm ัก hmm. เห็นว่ามันเดี๋ยวมัน mm hmm. มันสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอ mm hmm. หมดไปมันก็จะเป็นทุกขังขึ้นมาอีกแล้วมันก็ต้องหาใหม่อีกต้องกลับเข้าไปใหม่อีกเข้าๆอากอกๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็สู้ไม่ไม่ไปเสพมันดีกว่า mm hmm. เหมือนกับตอนที่เรา เราเสบรูปเสียงกดลดิ่นรดเราก็ต้องคอยเสบมันอยู่เรื่อย เ, เวลาที่เราไม่ได้เสบเราก็จะรู้สึกหงุดเก็ดรู้สึกอึอดอัดนำทานใจรหรังเขาเรียกว่าเป็นแคบินฟีเวอร์ถูกกักขังอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ออกไปเสบรูปเสียงกดลดิ่นรดอย่างที่วัดปฏิบัติที่เขาให้ไปอยู่ห้องอยู่คนเดียวขังตัวเองเ็าเรียกว่าไป สัมรวมอินทรีย์ตาหูจมกูกนิ้นกายมันจะมีการรู้สึกดิ้นในใจมันจะอึดอัดมันจะไม่มีความสุขเพราะไปติดรูปเสียงกลิ่นรดอะไรแต่พอไม่พอเลิกติดได้ปั๊บนี้มันไม่ดิน้นนะอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวสัมรวมตาหูจมกูกนิ้นกายไม่ได้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรด น, น, นี้จะไม่รู้สึกเกิดอันตร์ เพราะความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสมันหายไปฉันใดเรื่องของการเสบรูปประชานกับอารูปประชานก็อย่างนั้นมันก็จะมีอาการอึดอัดเหมือนกับเวลาที่เสบรูปการกามคุณห้าแล้วแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าการไปติดรูปประชานหรืออารูปประชานมันก็จะต้องทุกเวลาที่ไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้เข้าไปใน ในรูปประชานหรือรูปประชานพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไปไปมามามันให้ความสุขเราแบบชั่วครั้งชั่วคราวสู้อยาไปเสษมันดีกว่าพออยากจะเข้าฌานก็ไม่เข้าบังคับหยุดมันไม่ให้เข้าพอหยุดความอยากเข้าฌานได้ พอความอยากหายไปทีนี้ไม่เข้าฌานก็มีความสุขได้เหมือนกับคนที่เลิกเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดก็มีความสุขได้อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อันนี้ก็เป็นขั้นของพระอนาคามีพระโสดาบันพระสดิกาณามีอนาคามีนี้ยังเสก ยังเสพกามกันอยู่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คือพระโสดากับพระสกิริดาคามีแต่พอไม่ได้เป็นพระอน า, าคามีแล้วก็ <c oughs> แสดงว่าสาเร็จได้ดสเร็จในการหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะได้แต่ก็ไปติดกับความอยากจะเสพรูปประชานกับวารูปประชานเพราะ ตอนที่จะเลิกการเสพรูปเสียงกลินน่นรสนี้ก็ต้องใช้ความสุขจากรูปประชานและอารูปประชานนี้มาชดมาทดแทนนั่นเอง uh huh. เหมือนคนที่ได้รถเบนซ์มาแล้วก็สะละรถกระบะไปได้ uh huh. แต่ก็ยังมาติดรถเบนซ์อีก uh huh. เพราะยังต้องการหาความสุขจากการไปไหนมาไหนด้วยการนั่งรถเบนซ์ไปไหนมาไหนนั่นเอง uh huh. แต่รถเบนซ์มันก็มีปัญหาเดี๋ยวมันก็เสีย เดี๋ยวน้ำมันหมดอถ้าเกิดไม่มีเงินเติมน้ำมันก็ไปไหนไม่ได้ถ้ามันเสียไม่มีเงินเอาเข้าซ่อมก็ไปไหนไม่ได้เป็นเหมือนเศษเหล็กดีๆนี่นมันก็ยังมีความทุกข์ตามมาอยู่ถึงแม้ว่าจะขับรถเบนซ์ก็ตามวิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปขับรถเบนซ์ดีกว่าเดินดีกว่าขึ้นรถสองแถวดีกว่าขึ้นแท็กซี่ดีกว่า มีเยอะแยะจะจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้อูเบอร์อะไรนี่เรียกมาเรียกปุ๊บก็มาปั๊บเลยอันนี้ก็เหมือนกันนอย่าไปเสบรูปประชานเมื่อเลิกเมื่อเลิกเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วมาติดรูปประชานมาติดอรูปประชานก็เลิกเสบมันเพราะมันก็เป็นความทุกข์อยู่มันยังทําให้เราทุกข์อยู่เวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้เสบมันจะทําให้เราทุกข์ งั้นสู้เลิกมันดีกว่าอย่าไปเสพมันดีกว่าพอเลิกได้ปั๊บทีนี้ความสุขที่มันถูกความอยากปิดกั้นไว้มันจะโผล่ขึ้นมาเองความสุขของพระนิพพานมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นความสุขที่สูงสุดที่ถาวรเป็นความสุขที่ต่อเนื่องไม่มีกวนขาดตอนเป็นความสุขที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเกินไม่มีดับ ท่านยังเรียกว่าเป็นบรมังสุขขังเป็นบรมมาสุขอันนี้เป็นความสุขขั้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเข้าถึงได้ด้วยกันทุกคนถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเือให้เราทำ เป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นตอนแรกก็ให้เลิกหาความสุขจากการใช้เงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกเปลี่ยนเป็นการไปซื้อบุญมาเสพกันเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสพอเรามีความสุขจากการทำบุญทำทานเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นลดด้วยการใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ใช้เงินมาก ก, ไากไ็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ใช้เงินมากไม่ไม่ต้องหาเงินมากก็มีเวลามากขึ้นไม่ต้องไปทำงานมากก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขแบบสมาธิได้ถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดด้วยการใช้เงินทองอยู่เราก็ต้องคอยไปหาเงินทองมาอยู่เรื่อย เมื่อเราต้องหาเงินทองอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีเวลาไปหัดนั่งสมาธิกันไม่มีเวลาไปปริกวิเวกไปถือศีลแปดไปบวชกันเราพอบวจะไปหาเงินกันเพราะเราอยากจะเอาเงินมาซื้อรถเบนซ์ซื้อของต่างๆซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆเพราะเราคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุข ปลมเหมือนเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเวลาที่เราสูญเสียมันไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจอย่างคนที่เคยร่ำเคยรวยนี่พอมาตกอับเนี่ยมาสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ไม่อยากจะอยู่ต่อไปนคนที่ฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งก็เกิดจากการสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป นี่เป็นไพ่ที่เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันถ้าถ้ามีเงินเราจะเงินไปเที่ยวเอาเงินไปอยู่วัดดีกว่าไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่วัดที่เหลือก็ทําบุญทําทานไปวัดขาดแคลนอะไรก็ช่วยซ่อมแซมไปจะได้ความสุขมากกว่าการไปเที่ยวอย่างสี่วันนี้ไปเที่ยวสี่วันกลับไป อยู่วัดปฏิบัติธรรมสี่วันนี้ความสุขจะผิดกันความสุขจากการทําบุญนี้มันเป็นความสุขที่อิ่มที่พอ <c oughs> แต่ความสุขที่เกิดจากการไปเที่ยวนี้เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีก <c oughs> แต่ทำบุญมาแล้วถ้าอาทิตย์หน้าไม่ได้ไปวัดก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> อยู่บ้านแทนก็ได้ <c oughs> <c oughs> น, นี่ขั้นต้น เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้เงินทองไปซื้อรูปเสียงกิจรถให้ไปซื้อบุญแทนแล้วทําให้เราจะได้ลดการใช้เงินใช้ทองลเพราะการทําบุญนี้เราทําเท่าที่เรามีก็พอถ้าเราไม่มีเราไม่ต้องทําก็ได้เราไม่เดือดร้อนเวลาทําบุญแล้วมันไม่ติดเหมือนกับเวลาไปเที่ยวพอเราเลิกเที่ยวได้นี่เราก็สบายไปเยอะ เราใช้เงินได้นี้เราก็ไม่ต้องไปทํางานมากจนเกินไปเราก็จะมีเวลาว่างที่จะไปหัดนั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้นั่งฟังเทศไปนั่งหัดทำสมาธิไปเพราะโดยปกตินี้ถ้าให้เรานั่งเฉยๆนี่นั่งไม่ได้หรอกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้เดี๋ยวก็อยากก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้ เดี๋ยวก็ตั้งลุกไปคิดถึงขนมในตู้เย็นเดี๋ยวก็คิดถึงเครื่องดื่มในตู้เย็นเดี๋ยวก็อดที่จะไปเปิดมันไม่ได้แต่พอมานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้มันก็ไม่ได้ไปคิดถึงอะไรมันก็นั่งเฉยๆนั่งฟังไปได้ก็ได้สมาธิในระดับหนึ่งสมาธิในระดับการฟังธรรมไม่เคยนั่งเฉยๆได้เลยก็นั่งเฉยๆได้ แล้วพอเรานั่งเฉยๆได้ต่อไปเราไม่ฟังธรรมเราก็นั่งเฉยๆได้เราก็นั่งเราก็สวดบนไปก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะฟังธรรมก็ฟังได้พาะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาที่วัดมาฟังธรรมก็ได้ในมือถือเราก็เปิดฟังได้ทุกเวลาด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาดีเวลาเดียว พอมีบันทึกเก็บไว้ในเครื่องสามารถดูได้ทุกเวลาฟังได้ทุกเวลา <c oughs> เราจะได้มีเวลาจะได้ไม่ต้องไปทํางานออ่หาเงินหาทอง <c oughs> พอได้เงินได้ทองมาก็ต้องเอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองอีกเ <c oughs> ลยไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมกัน <c oughs> แต่พอเราใช้เงินเพื่อเอาไปทําบุญแล้ว ต่อไปความอยากใช้เงินไปเที่ยวมันจะหายไปแล้วทําให้เราไม่ต้องหาเงินมากหาเงินพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็มาทําบุญส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทําบุญมาไหว้ก็ต้องมาช่วยทําบุญจ่ายค่าน้าําค่าไฟอะไรต่างๆค่าอาหารแต่เราจะไม่ต้องใช้มากเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยว เราจะได้มีโอกาสได้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบโดยการหัดเจริญสติพุทโธพุทโธ ท, ท่องพุทโธพุทโธไปขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้คอยควบคุมความคิดด้วยพุทโธไว้อย่าปล่อยให้มันคิด เพราถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันจะมันจะคิดต่อมันจะไม่หยุดคิด <c oughs> แต่ถ้าเราคอยควบคุมไม่ให้มันคิดตั้งแต่ที่เรายังไม่มานั่งสมาธิพอเรามานั่งสมาธิมันก็จะหยุดคิดได้ง่ายได้เร็วแล้วเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายได้เร็วแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุข ข, ของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองแล้ว พอเราได้พบกับความสุขอันนี้เราก็จะยินดีกับความสุขอันนี้เพราะมันดีกว่าเหมือนกับตอนที่เราได้รถใหม่เราก็จะยินดีกว่ารถเก่าที่เราขับอยู่รถเก่ามันโกโลโกโซเสียบ้างไม่เสียบ้างรถใหม่นี่ไม่เสียเลยสวยด้วยสบายด้วยสบายกว่าด้วยมีรถเก่าก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมยกให้คนอื่นไปก็ได้ ไม่เสียดายถ้ามีรถใหม่ครับ <Yeah. S 2> แต่ถ้ายังไม่มีรถใหม่ครับ <Yeah. S 2> ก็ต้องทนใช้รถเก่าไปก่อนเสียก็ต้องซ่อมมันยาง <Yeah. S 2> แตกก็ต้องปะมันไปเ <Yeah. S 2> พราะมันไม่มีทางเลือก yeah. Yeah. ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เราก็ยังติดต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่เรื่อยๆก่อน <Yeah. S 2> แต่พอเราได้สมาธิแล้วนี้ต่อไปเราเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพได้ yeah. Yeah. ไม่ต้องไปเพื่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปเพื่งน่างกายได้มาเพิ่อความสงบของสมาธิแทนแต่เราก็ไม่รู้ว่าความสุขของสมาธิมันก็เป็นความสุขแบบความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันก็คือมันก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอยู่แต่มันก็ยังดีกว่าอนิจจังทุกขังของรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันจะไม่ทรมานมาก เพราะว่าเราสามารถเข้าได้อยู่เรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีเข้าสมาธิได้แล้วเราจะเข้าอยู่เรื่อยๆเข้าได้อยู่ทุกครั้งที่เราต้องการเพียงแต่ว่ามันต้องค อ, อยเข้าอยู่เรื่อยๆ <lekker. S 1> เวลาที่ไม่เข้ามันก็จะเสื่อมเราก็ต้องคอยเ ข, ยขย้ามันก็เลยทำให้เราต้องคอยเ ข, ยขย้ามันก็ทำให้เราติดสมาธิรเราก็เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมเงิน แล้วพอสมาธิที่ส่งเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นผมหมดกําลังลงเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเข้าฌานกันใหม่มานั่งสมาธิกันใหม่เนี่ยทำไมคนที่มาเกิดจึงไม่เหมือนกันบางคนมาเกิดแล้วก็ไปบวชกันได้ไปบวชทีไปบวชพระไปบวชเนรกันได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เพราะเขาชาติก่อนเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนนั่นเอง ชาติก่อนเขาหาความสุขจากรูปประชานจา ก, กา ร, รูปประชานกันจากการเป็นนักบวชกันเราก็มาเกิดชาตินี้ <c oughs> เขาก็ไปเป็นนักบวชต่อ <Yeah. S 1> แต่พวกที่ไม่เคยเป็นนักบวชไม่เคยหาความสุขจากสมาธิเคยแต่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอมาเกิดชาตินี้ก็จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกัน <Yeah. S 1> เราจึงมีคนหลายแบบกัน คนที่ชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีคนที่ชอบหาความสุขจากสมาธิก็มีคนที่ชอบหาความสุขจากการทำบาปก็มีคนบางคนชอบทำบาปรู้สึกทำบาปแล้วมีความสุขเวลาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายแล้วนี่สนุกมีความสุขก็มีถ้าเคยทำอะไรมามันจะติดเป็นสันดานมาคนเราจึงมีนิสัยสันดานไม่เหมือนกัน บางคนชอบหาความสุขจากรูปเสียงเก่มรดบางคนชอบหาความสุขจากการกลั่นแกล้งผู้อ่นจากการทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนบางคนมีความสุขจากการทำบุญทำทานบางคนมีความสุขจากการไปบวชไะนั่งสมาธิกันนี่คือนิสัยที่เราทำกันมาที่เราเรียกว่าบุญหรือบาปนี่นิสัยดีก็เรียกว่าบุญ นิสัยไม่ดีเราก็เรียกว่าบาป mm. นี่แหละเป็นเรื่องราวของจิตใจของพวกเราทุกคน mm. ที่พวกเรานี้สามารถมาแก้ได้มาเปลี่ยนไดออ้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยแบบไหนก็ตามมันก็ยังพาให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ mm. นิสัยชอบทําบาปมันก็ยังพาเรากลับมาทําบาปอยู่เรื่อยๆนิสัยชอบทําบุญมันก็จะพาให้เรากลับมาทําบุญอยู่เรื่อยๆ นิสัยชอบอหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะพาให้เราดึงให้เรากลับมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆนิสัยชอบเข้าสมาธิชอบเป็นนักบวชมันก็จะดึงให้เรากลับมาเป็นนักบวชกันอยู่เรื่อยๆต้องถือต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ต้องนิสัยของพระาอารหระนะันต์เท่นั้นพระอารหันต์นี่ไม่มีความยินดีกับความสุขของตอยเลย ไม่มีความยินดีกับการมาพบไม่มีความยินดีกับรูปพบไม่มีความยินดีกับอรูปพบเนเพราะเห็นว่ามันเป็นตาลักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสเลิกเสลิกเลิกเสเพรูปฌานเลิกเสพอรูปฌานไม่ติดไม่มีความอยากใน ไม่มีความอยากในรูปปัจจานไม่มีความอยากในอรูปปัจจานพอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป ใ, ใจก็อยู่ที่นิพพานนี่แหละเป็นผลที่เราจะได้ผลสุดท้ายจากการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ในกองทุกข์ของสังสารวัตนนี่ในใต้ภพไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนจะสูงจะต่ำเดี๋ยวมันก็ต้องจบเดี<ม>๋ยวจะต้องเสื่อมเดี๋ยวจะต้องตายกันเป็นเทวดาก็ต้องตายเป็นพรมก็ต้องตาย<ม>เป็นสุนัข ก, ก็ต้องตายเป็นเปรตก็ต้องตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็ต้องมาตายเป็นมนุษย์ก็ต้องตายเหมือนกันเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างพบนี้ชาตินี้เราถึงจะมาได้ยินได้ฟังเรื่อง อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องวิปัสสนาเรื่องปัญญาเรื่องอริยสัจสี่ <Yeah. S 1> พอเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วถ้าเราเข้าใจแลวน้ำอนามเอามากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เราก็จะได้ไปที่พระนิพพานกัน yeah. เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไป <Yeah. S 2> นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อฟังแล้วขั้นต่อไปก็นำเอาไปปฏิบัติ mm hmm. เมื่อ ป, ปฏิบัติแล้วผลต่างๆที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็จะตามมาต่อไปอยังขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นคง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นเต็มร้อยแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มร้อยแล้วรับประกันได้ว่าผลอันอุรันประนเสรฐของพระพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกท่านต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริกวหาปุราปุริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปการปติอิชิต um ังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยะาสัพีต so ิโยวิวัชชะตุสัพพุโควินาสตุมาเตภวัตตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีดิศานิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรมมาวทานติอายุวันุสุขัง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 459 YouTube 236วิทยุออ Online 10 Zoom 8ผู้รับฟังหน้ากุฏิ189รวมทั้งสิ้น902ท่านค่ ะ, ะนี่คือสทธายาตโยมที่ติดตามตทางที่นี่และที่ท า, ทางบ้านติดตามได้ทุกวันอยู่ทางบ้านมีการถ่ายทอดสดทางเฟซกับ YouTube บ่ายสองโมงถึงประมาณบ่ายสี่โมง ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยค่ะคำถามฝากถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะคะมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งทำอย่างไรชาติหน้าจึงจะได้พบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นในทุกพบชาติจนถึงที่สุดเจ้าค่ะไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละดีที่สุดแล้วให้มันจบชาตินี้เลยเพราะชาติหน้าไม่แน่นอน ไม่มีใครไปกําหนดได้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดวันไหนเดือนไหนแล้วเราจะไปเกิดวันไหนเดือนไหนตอนนี้เจอแล้วทําไมไม่รีบทําให้มันจบเนี่ยจบได้พระพุทธเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเท่านั้นเองขอให้นํำมาไปปฏิบัติ ด, ดีกว่าอย่าไปกังวลถึงพบหน้าชาติหน้าเลยเพราะพบหน้าชาติหน้าก็ต้องปฏิบัติเหมือนพบนี้ชาตินี้แหละทําไมไม่ไม่ปฏิบัติเดี๋ยวพบหน้าชาติหน้าก็จะขอไปพบ ชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเตะกระแผงเราไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆพอเจอกระแผงก็เตะไปข้างหน้าแล้วก็แล้วก็วิ่งไปเตะมันใหม่ะงั้นะอย่าไปรอพบหน้าชาติหน้าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้รอพบหน้าชาติหน้าท่านสอนให้เราทําเสียแต่บัดนี้แล้วผลนีก็จะปรากฏขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้คำถามต่อไปค่ะ ทำอย่างไรธรรมะที่เรามีความรู้ในชาตินี้จะจิดตามไปชาติหน้าและชาติต่อๆไปเจ้าคะ่ะก็ต้องเป็นขั้นโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วอริยสัจ ส, สีนี้จะอยู่ในใจจะรู้ว่าทุกเกิดจากอะไรจะไม่ไปโทษแฟนไม่โทษสามีโทษคนนั้นโทษคนนี้จะโทษความอยากของตัวเองโะะทษกรรมตันหาภา ว, วะฐหาวิภาวะัหา แล้วิธีแก้ก็คือต้องเห็นใจรักษณ์ในสิ่งที่ทําให้เราทุกข์เมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับใครฉะนั้นเขาให้ปฏิบัติให้เห็นอริยาาสัจ4ี่ให้เห็นใจรักษจะเห็นได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนฝึกสมาธิให้มากจเจริญสติให้มากทําจิตให้สงบจิตสงบแล้วจิตจะสใสจะสว่าง ยิ่จะเห็นอริยสัจเห็นตายลักเวลามันโผล่ขึ้นมาค่ะคำถามต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะ ได้หันมาบริกรรมพุทโธได้เกือบเกือบสองปีแล้วเช้ามืดวันหนึ่งเมื่อ น, นั่งสมาธิกําหนดพุทโธได้ยินเสียงพุทโธติดต่อกันก้องอยู่โดยที่ไม่ต้องบริกรรมเองจึงบริกรรมตามเสียงนั้นและดูลมหายใจวันนั้นสามารถบริกรรมพุทโธได้โดยไม่ขาดและดูลมหายใจได้ตลอดคําถามคือสภาวะแบบนี้ดีหรือไม่ครับเป็นไปได้หรือไม่ครับก็เขาเรียกว่าเป็นสัมปะชัญญาสติสัมปะชัญญา ถ้าเป็นสติก็เกิดเกิดดับๆับถ้าเป็นสัมปัชัญญะก็ต่อเนื่องมีพุโทโธอย่างต่อเนื่องดูลมได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นสัมปัชัญญะก็ใกล้เข้าสู่ความสงบแล้วดูไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะตกลุมตกบอ่อวุบลงไปแล้วก็แน่งสงบสบายขึ้นมาแต่อย่าไปทาดว่าอย่าไปคาดเมื่อไรจะตกลุมตกบอ่อ พอคาดปุ๊บมันก็หยุดพุโทโธหยุดดูลมนั่นต้องดูลมไปพุโทโธไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปว่ามันจะตกหลมตกบอ่เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็จะตกของมันเองคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ<ม>พงกอบขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาเวลาทำทานก่อนทำก็อยากทำแต่ขนาดที่ทำทานแล้วใจเฉยเฉยไม่รู้สึกอิ่มใจอะไรจะได้บุญไหมครับควรวางใจอย่างไรถึงจะได้บุญครับ ก็ทำน้อยไปมันกินข้าวนะกินทำสองคำ ม, มันก็ไม่อิ่มนะพอ ก, กินสักจานสองจานเห็นเวลาทำบุญแล้ไม่อิ่มใจก็แสดงว่าทำน้อยไปลองทำให้มันมากขึ้นน่ทํทำให้มันอิ่มใจถ้ายังไม่อิ่มกาทำเพิ่มมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวอิ่มเองครับลองได้คทถามต่อไปจากทางอิน box จากคุณบลิสค่ะ ขอกราบเรียนถามค่ะหนูเริ่มมีความรู้สึกอยากจะสวดและก็ได้เริ่มสวดบทอาตานาติยปบริษแบบเต็มแล้วรู้สึกชอบในบทสวดแล้วสบายใจดีค่ะแต่บังเอิญไปเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบอกว่าใช้สวดผ่านยักษ์ถ้าจะสวดเองต้องบอกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเคยมีคนสวดแล้วไม่ได้บอกก็โดนสิ่งที่มองไม่เห็น หรือเจ้าบ้านทําให้เจ็บตัวมาแล้วจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือคะหรือหนูต้องทําอย่างไรต่อหนูก็จะทําอย่างอื่นไม่เป็นแค่สวดเฉยๆแล้วรู้สึกดีสบายใจค่ะจึงขอคําแนะนําเจ้าค่ะไม่จริงหรอกที่เขาพูดนี้ไม่จริงหรอกสิ่งนี้หนูทาําว่าถูกต้องดีแนละ้วทําไปการสวดเพื่อทําใจให้เย็นให้ใจสงบให้มีความสุขไม่ต้องไปบอกเทวดาไม่ต้องไปบอกใครนะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องส่วนตัว เทวดาไม่เกี่ยวเขาไม่มาทําร้ายเราหรอกเป็นการความเชื่อแบบงมงายเท่านั้นเองมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญคนดีจะพอดีจะไม่สบายขึ้นมาก็เลยไม่สบายก็เลยไปจับแพะชนแกะเขาว่านี่แหละส่วนแล้วไม่ไปบอกเทวดาก่อนก็เลยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนที่เขาสวดแล้วไม่ได้บอกเทวดาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีต้องเยอะแยะไปนั่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความจริงรับประกันได้ ถามต่อไปจากทางเฟ e บุ๊ k คุณนรงชัยค่ะกราบนรมัส ก, การพระอาจารย์ครับขอกราบเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิไปลมหายใจเบาจนบางครั้งหายไปรู้ตัวอยู่ตลอด ร่างกายนิ่งสนิทแขนขาเหมือนกับหายไปไม่รู้สึกและเกิดความสงัดเงียบขึ้นไม่ได้ยินเสียงภายนอกจิตเบาสงบไม่มีความคิดบางครั้งเกิดขนลุกเหมือนคลื่นวิ่งแปลบไปตามส่วนต่างๆอาการแบบนี้เป็นสมาธิหรือไม่ครับเป็นหลายครั้งแล้วแต่ออกมาแล้วก็ยังมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรถเหมือนเดิมทุกครั้งคล้ายกับไม่กล้าไม่ก้าวาควรทำอย่างไรต่อไปครับ ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วอยากจะให้ก้าวหน้าเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นดสก็ต้องพิจารณาว่าเป็นไตายรักให้เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราจะได้ไม่ไปอยากได้ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวพอจิตไม่ไปยุ่งเกี่ยวจิตก็สบายขึ้นไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสจิตปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสได้เช่นเลิกกาแฟได้เนี่ยสบายกว่าคนติดกาแฟนไหมเลอกบุหรี่ได้ดีกว่าคนที่ติดบุหรี่ รูปเสียงกลิ่นแล้วก็เหมือนกาแฟเหมือนบุรีนี่เอเวลาเรามาสัมผัสกับเรื่องเสียงกลิ่นแล้ถ้าเราเกิดความอยากเราต้องพิจารณาว่ากําลังไปหาความทุกข์นะไม่ใช่ไปหาความสุขสุขที่ได้เป็นสุขปลอมเป็นสุขไหมเหมือนแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่โง่พอเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปฮุบเหยื่อเข้าก็ไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวคอคนที่โง่ไปติดบุรีติดกาแฟก็แบบนั้นนะ พอติดแล้วก็ต้องหากาแฟหาบุหรี่มาสูบมาดืม่มอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้ดืม่มก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีฉะ <Yeah. S 1> นั้นเวลาออกมาเราเกิดความอยากหรือเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นแล้วก็บอกเป็นไตายลักไปก่อนนะเป็นทุกข์ติดป้ายเตือนใจเว้เหมือนกับยาพิษนี้ก็จะมีภาพกระโหลกศีรษะกะับกระดูกไขอยไว้อันตราย <Yeah. S 1> นี่ลตลักก็เป็นเหมือนป้ายนี้แหละ พอเห็นรูปเสียงกิน่นรดเห็นใครขึ้นมาให้บอกเป็นตายรักนะอย่าไปรักอย่าไปหลงเขานะอย่าไปชอบเขาถ้าแล้วเดี๋ยวจะ อ, อกขักไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะเสียใจคำถามต่อไปจากทาง u t u b e จะคุณยูเซอร์ค่ะนั่งสมาธิไม่ต้องพุทธโธดูลมอย่างเดียวได้ไหมครับได้มีมีหลายวิธีบางคนก็ใช้ลมอย่างเดียวบางคนก็ใช้พุทธโธอย่างเดียว บางคนก็ใช้นมกับพุทโธกำกับไปด้วยกันก็ได้แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติสามารถเลือกเอาได้เป็นเหมือนอาหารน่ยอาหารก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างเป็นข้าวผัดบ้างบางคนก็ขอสองอย่างปนกันก็ได้กินแล้วก็อิ่มเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณพงประพัฒค่ะพระอาจารย์ครับการพิจารณาปัญญาทำอย่างไรครับ ก็พิจารณาสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ว่าเป็นตายรักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเกล็ดนรดปวดทพะไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปติดเขาแล้วเราจะต้องเสียใจวันใดวันหนึ่งเพราะเขาจะต้องมีการจากเราไปนรืมีการเปลี่ยนไปอยากดีเคยดีกับเราเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีกับเราก็ได้ เราก็เปลี่ยนไปความสุขที่เคยได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเราคอยเตือนใจไว้ก่อนเราจะได้ไม่ไปหวังอะไรจากใครเนี่ยพอเราไม่ไปหวังอะไรจากใครเราก็จะไม่ผิดหวังคําถามต่อไปจากคุณป๋ากอล์ฟค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อครับช่วยอธิบายเรื่องศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงทําภายในพอเป็นแนวปฏิบัติขอรับ อ๋อเรื่องของฐานเรื่องของศูนย์ของจิตของกายนี้ไม่ต้องไปกังวลขอให้กังวลที่สติว่ามีหรือเปล่าขอให้มีสติแสติจะพาจะพาเราเข้าไปสู่จุดนั้นนั่นเองขอให้มีสติพุโทโธแล้วมีสติ ด, ดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็อย่าไปให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเวลานั่งอย่าไปถามว่าตอนนี้อยู่จุดไหนแล้วถึงฐานนั้นหรือ ย, ยังถึงจุดนั้นหรือ ย, ยังอย่าไปสนใจนะ ถ้าสนใจแล้วจะไม่มีวันไปถึงได้อขอให้เราเพียงแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวมันจะพาเราไปสู่จุดนั้นเองอ คำถามต่อไปจะคุณมีเจีย๊ยบค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการเปลี่ยนศาสนาพุทธไปศาสนาอื่นทําให้กรรมที่เคยทํามาในอดีตหมดไปหรือเปล่าคะและถ้าเปลี่ยนแล้วบางศาสนามีล้างบาปเท่ากับว่าทําผิดแล้วมาล้างบาปทําให้ไม่มีบาปติดตัวถูกต้องหรือไม่คะตามกฎแห่งกรรมนี้ล้างไม่ได้นะบาปทําไว้จะต้องชดใช้กรรมจะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนศาสนา ตัดผมสั้นตัดผมยาวไปบวชเป็นพระนีมันไม่เปลี่ยนกรรมเก่าที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปนี้จะต้องส่งผลต่อไปไม่มีไม่มีใครสามารถไปลบล้างบุญหรือบาปได้นอกจากไม่ไปกระทามันเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีผลบาปก็อย่าไปทำบาปแต่บาปเก่าที่ทำแล้วไปล้างมันไม่ได้มันต้องส่งผลวันใดวันหนึ่งช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเวลา สำหรับคำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามจากคุณศิวพรค่ะทำไมจิตเราถึงกลัวหวาดระแวงทั้งๆที่จิตเราไม่ได้ปรุงแต่งค่ะอ๋อมันเป็นอาวิชาฝังอยู่ในใจเราฝังว่าเรามีตัวมีตนพอเรามีตัวมีตนเราก็หวาดระแวงกลัวสิ่งต่างๆจะมากระทบกับตัวเราตัวของเราถ้าจะไม่อยากหวาดระแวงต้องพิจารณาว่าเราไม่มีตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถมาทำร้ายสิ่งเหล่านี้ได้ดินน้ำลมไฟก็ทำร้ายไม่ได้ทำลายไม่ได้ธาตุรู้ก็ทำลายไม่ได้ถ้ารู้ความจริงแล้วต่อไปจะไม่มีความหวาดกลัวเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด